อุปสมบทให้กุรธิดาภิกุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาหรือชีวอนหรือสมมุติศีมาต้องอบัตรทุกฎจบยติต้องอบัตรทุ ก, ก ฎ, จ บ, ออบกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตรทุกกดสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกุณีผู้เป็นอุปชาต้องอบัตรปาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตุ